ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็กขขอพักประสูตรไว้สักวันหนึ่งเพราะว่าเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นก็มีผู้ถามวันหนึ่งท่านหนึ่งถามว่า งานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หที่ได้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสในประรัตนาตรไยแล้วก็มีการเอามาเรียบเรียงเป็นฉันแต่ก็สวดกันแพร่หลายนั้นก็มีความเป็นมายอย่างไรคือประการแรกเราต้องเข้าใจว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นนักปราชญใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ด้านภาษาบาลีก็ทรงเข้าพระไทยธรรมะลึกซึ้งมากๆก็เรียกว่าถ้าเราดูผลงานด้านภาษาบาลีที่ผ่านมาเอาเฉพาะที่มีหลักฐานเทียบเคียงได้นะครับ ก็ยังไม่เจอเอกสารอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องของพระธรรมกายและในเรื่องของธรรมะชี่เรียบเรียงออกมาเป็นภาษาบาลีเพราะว่าในเรื่องของพระธตรมกรายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะทรงมีบทที่ยกย่องสรรเสริญพระธตรมกราย แสดงถึงพลังแห่งความศรัทธาเลื่อมใสที่ทรงมีต่อพระรัตนาตรัยไว้มากเหลือเกินคื อ, อยังนึกว่าถ้ามีการรวบรวมเป็นเล่มแล้วก็แปลด้วยนะฮะคือคงบาลีไว้ด้วยเพื่อนักศึกษาน้านบาลีแล้วก็ศึกษาภาษาไทยและศึกษาติดตามชิ่จริงก็มีการทำไว้ รู้สึกว่าตอนนั้นก็100นร้อยปีแต่วันสวรรคตนะฮะแต่ว่าหนังสือเหล่านี้ก็คงจะไปอยู่ตามห้องสมุดหมดแล้วก็เมื่อตอนสองร้อยปีก็มีการทำเผยแพร่ อ, ออกเป็นจำนวนมากเหมือนกันแต่เฉพาะในที่นี้ก็จะตอบเฉพาะคำถามที่ที่โยมถามมา คือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยที่พยาศีสนทรัวหานน้อยอัจารยางกูลได้เรียบเรียงขึ้นมาเป็นฉันทลักลเรามาสวดกันแพร่หลายเมื่อก่อนก็สวดกันตามโรงเรียนประถมมัธยมทราบระเดิมทีเดียวก็สวดกันที่โรงเรียนในร้อยจอบรอ้อ ในโรงเรียนวิศิราวุฒิอะไรต่างๆแพร่หลายคือจะขึ้นต้นด้วยอรหังสมาสมุโทโธปควาสวาคคาโตภัตตาธรรมโมสุปฏิปันโนปควาโตสาวกสังโฆคือจะขึ้นต้นอย่างนั้นแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยไม่ได้อธิบายไปตามบทของพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ แต่ว่าไปขยายความบทธรรมวัติเช้าที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียบเรียงไว้ที่ขึ้นต้นด้วยพุทโทธสุสุโธการุณามาณวเราเรียกว่ารัตนะตยะปนามขถ า, าคือคาถาที่แสดงความนอบน้อมต่อพระราตนตรัย ถึงกับความที่สรงเรียบเรียงที่จริงก็มีลักษณะเป็นฉันทางภาษาบาลีเหมือนกันมันแสดงถึงความลึกซึ้งในพระพุทธคุณเพราะตามปกติแล้วการเกิดของพระพุทธคุณเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแล้วบริสุทธิ์แลกรุณาคือลําดับการเกิดนี่จะเกิดอย่างนั้นตํานองคล้ายๆกับการเปิดสวิตไฟเนี่ย คือแสงสว่างเกิดก่อนความมืดหายไปและสิ่งทั้งหลายจะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะันจิตใจของพระพุทธเจ้าพระไตรของพุทธเจ้าจิตใจของพระอราหันต์ของพระยาบุคคลหรือแม้แต่ว่าคนดีจิตมันจะเดินอย่างนี้หมายความมาปัญญาบริสุทธิ์กุณาแล้วทั้งสามข้อนี่จะต้องสอดคล้องกันเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ต้องเกิดต่อเนื่องกันไปคือเราจะพูดว่าพร้อมกันทีเดียวสำนวนอภิธรรมเขาไม่ถือว่าพร้อมนะฮะมันคนละขนากันแต่ขนาดนเร็วมากเร็วจนจิตสามัญชนแยกไม่ทันแต่ถ้าเราเทียบแล้วเหมือนกับเราเปิดไฟในห้องมืดไฟหลอดนะฮะไม่ใช่ไฟมีอ่อน เราจะเห็นว่าเปิดปั๊บก็สว่างปุ๊บเลยความมืดก็หายปั๊บหลยคือมันต่อกันไปเลยเตอ น, นตามปกติแล้วเราจะเรียงเป็นเอาอย่าง น, นโมทัสสะนี่เราเรียงกรุณาขึ้นก่อนอหลังสมาสุพุทโธนี่เราเรียงบริสุทธิคุณขึ้นก่อนมันเป็นเรื่องความซาบซึ้งความดื่มดำความประทับใจในพระพุทธคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียบเรียงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียบเรียงตามลำดับการเกิดของธรรมะคือหมายความว่าพระเจ้าทรงอธิบายการจักรู้ในีว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปและจากนั้นใจจะมองโลกคือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ด้วยกรุณาต้องการให้ชาวโลกได้สัมผัสอย่างที่ พระองค์ส่งสัมผัสเพราะเราเห็นว่างานของพระอราหันต์ทั้งหลายพระปัจจุบพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทําโดยไม่ได้มุ่งอะไรเพื่อพระองค์แต่มุ่งกระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลและหนวยความสุขให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือสรรพชีวิตทั้งหลายทั้งโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง เราไม่สามารถจะสอนสตัตว์เดรัจฉานได้หรอกแต่ว่าเมื่อสอนให้คนเกิดเมตตาในสตัตว์เดรัจฉานแต่ความปลอดภัยในชีวิตมันก็เกิดขึ้นกับสตัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่ว่าพวกธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเกิดมีความสานึกคุณมีการรู้รักธรรมชาติเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะปัญญามันเพิ่มขึ้นและกิเลสมันลดลง การมองสรรพชีวิตด้วยความกระดุนาการมองสิ่งทั้งหลายด้วยความไม่โลภเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติปณิจัของท่านจึงอยู่ด้วยบทตรงนี้ที่ทรงเรียบเรียงทรงใช้คำว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้หมดจดดีแล้วมีพระกรุณาดุจพ่วงมารนบมีปัญญาจักสุ หมดจุดแล้วโดยส่วนเดียวข่าบาปและอุปกิเลสแห่งโลกข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยความเคารพคือประิยคทเนี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าท่านทุกฟังที่ไหว้พระสวดมนต์นะเราไปดูรมวัดช่ำทำวัดค่ำตอนบุตรวารหันทวารธาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีข้อความสอดคล้องกัน ตรงนี้เจ้เ า, าพระยาศีสนทรบุหารน้อยอาจารย์ยางกูลก็นำไปเรียบเรียงองใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลกเลสมานบอมีมนมีหมองมัวเดิ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบรพันณ์พัวสุวคนธกรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอนปวดหมู่ประชากรมะละโอกกันดาน ชี้ทางบรนเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระในรุพานันพ้นโศกวิโยภัยพร้อมเบนจะพิธจักสุจริตปริมลสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจน จ, ปจุประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจห ย, ยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมารบาบํำเพ็ญบุญข้าขอประนธนอมศีรกล้าบังคมคุณสมพุทธาการุญญภาพนั้น น, น, นิรันด คือตับาลีที่ยกมานี่อรหังสมาบุโธปัจวาบุททังผกรวันต่างอภิวเดมินะเวลาอธิบายขยายเนี่ยอธิบายตามหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ากราจะอยู่หัรงนิพน์เอาไว้ทีนี้พอมาถึงพระธรรมก็ทรงนิพนธ์ไว้ว่าพระธรรมของพระศาสดาเจ้าพระองค์นั้นราวกับธิปพระธรรมอันใดต่างโดยประเภทคือมรรคผลและนิพพาน เป็นธรรมข้ามโลกและธรรมอันใดซองเนื้อความแห่งโลกุตตรธรรมนั้นข้าพเจ้าขอไหว้พระทมอันนั้นโดยความเครารพก็ความทรงนี้พระยาสรีชนทรวหันน้อยอาจารยยังกูลก็นำมาเรียบเรียงว่าธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประชีพชัชจวานแห่ององค์พระศาสดาจารย์สองสัตสันดานสว่างกระจ่างใจมน ทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึงยนและก้าวกับทั้งในรูปานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอลานพิสุทธิเศษสุขใสอีกทาต้นทางคันไลนามขนานขานไขปฏิบัติบริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจตะครองให้ล่วงรุปปองอย่างโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงุงนกธรรมจํานงด้วยจิตและกายวาจาจนกว่านี้ที่จริงเนี่ย บทอุเทศที่ยกมาตั้งเนี่ยคือนําด้วยคําว่าสบะคาตุกตะธมุแล้วก็แปลแล้วก็จบด้วยคําว่าทำมังนัมัสสามิกับพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมพอมาถึงพระสงฆ์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงนิพนธ์ด้วยข้อความในบทที่เราสวดนะบทที่เราสวดธรรมเช้าที่ขึ้นต้นโดยพุทโธสุสุโธเนี่ยก็ทรงใช้คําคว่า พระสงฆ์หมู่ใดจัดเป็นนาดียิ่งกว่านาที่ดีมีความสงบประงับเป็นประจักษ์แล้วรู้ตามเสด็จพระสุคตเจ้ามีกิเลสโลเลอันละได้แล้วเป็นอริเจ้าปัญญาดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพนี้ก็คือการแสดงความนอบน้อมข้าพยาศีสุนทรวรงหันน้อยก็นำมาเรียบเรียง สงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพักวันเห็นแจ้งจจตุสัต์เสร็จบันรูทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้จัดไรปัญญาของใสสะอาดและปราศมัวมองเอินห่างทางค่าสึก บ, บองบอมิลำพองด้วยกายและวาจาใจ เด็เนื้อนาบญนันไพสารแดโลไกแลเกิดพิบูร์พูนผลสมยาอรรถทศพลมีคุณ อ, อ น, อนอุนเอเนกจะนับเหลือตราข้าขอนบหมู่พระสราพกทรงคุณานุคุณประดุจจะรำพันโดยเดช บ, บุญข้าอภาิวันพระไตรรัตนอุดมดีเลกมีรัติสยจงช่วยขจัดโยภยัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญแล้วก็จบลงด้วยคำว่าสังขังนามามิ คนนี้จะเห็นได้ว่าข้อความโดยเนื้อหาพระยาศีส้นทรว่าหน้อยได้ขยายข้อความตรงนี้ออกให้ไปพิศดาร์เพราะว่าเวทรงนิพนธ์นั้นทรงนิพนธ์กระชับแต่ว่าได้แฝงเนื้อหาสาระไว้เยอะมากถือถ้าจะอธิบายกันจริงๆนี่อธิบายยาวมาเคยนำไป บทที่ท่านแปลเนี่ยะนำไปอธิบายในรายการใต้ร่มพระพุทธญาณอธิบายนานหลายเดือนกว่าจะจบแต่ละประเด็นเพราะว่ามันมีอยู่นานมาแล้วไปบรรยายอบรมศึกษานิเทศที่หอสมุดแห่งชาติแล้วก็ยกประเด็นคำถามขึ้นมาประเด็นหนึ่งว่า พร้อมเบนจะพิจัรณาสุจริตวิมนลสายเนี่ยหมายความว่ายังไงปรากฏว่าไม่มีคนตอบแล้วก็ถามว่าทำไมจึงไม่ตอบเออท่านบอกว่าไม่เคยคิดเลิกก็นึกว่าเออขนาดนี้ขนาดมือขนาดนี้ยังไม่เคยคิดเนี่ยมันต้องมีคนไม่เข้าใจเยอะก็เลยอธิบายขยายความออกไป โดยพิสานแต่ละข้อนะทีนี้เราจะเห็นว่าความรู้สึกต่อพระพุทธเจ้าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสันเสริญไว้ในธรรมวัตค่มมมันแสดงถึงอินทรีย์ห้านี่ชัดเจนไหมคือแสดงถึงศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาของพระองค์แสดงได้อย่างชัดเจน วัฏฐามีพลังที่ขจัดอาสัตยะคือความไม่เชื่อความเครียดแข็งสงสัยออกไปได้วิริยะขจัดความเกียรตครานได้สติขจัดสติสัมโมสาคือความหลงลืมเละเลือนของสติได้แต่สมาชิมีพระไถ่หนักแน่นมั่นคงอยู่ที่คุณพระตนไกรปัญญานั้นแน่นอนก็แสดงในความรอบรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวาง แล้วก็พิสดารคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยทรงนำจากนัยยะการถึงพระรัตนกรัยที่โบราณท่านถึงกันแต่ข้อความเหล่านี้ตามปกติแล้วจะไม่ค่อยกระจายมันจะอยู่ในเอกสารหลักคือระดับพระไตรปิฎกกับระดับอัจฉรกยาเป็นพื้น โอกาสที่จะนำมาเผยแพร่แก่ประชาชนเนี่ยมันจะมีน้อยต น, นก็ทรงรวบรวมข้อข้อความเหล่านี้มาลอยเรียงด้วยภาษาใหม่เป็นบทสวดสเสริญพระพุทธเจ้าประธรรมประสงแต่เป็นการประกาศตนถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตโดยมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง ซึ่งสมัยพุทธกาลก็มีนะฮะมีการกระทําในลักษณะนั้นแต่นีการการเรียบเรียงข้อความเหล่านี้ขึ้นมาคือแสดงว่าพระไทยไปด้วยนะฮะมนรู้สึกว่าประกาศยังไงถึงจะแสดงว่าเราหนักแน่นมันคงจริงๆ่อนก่อนมีการประชุม ก็ปรากฏว่าในที่ประชุมเนี่ยฮะมีเจ้าคุณรูปหนึ่งกับมีป ร, รียนและศึกออไปแล้วนะฮะเป็นอาจารย์สอนมาอะไรประกาศพร้อมที่จะสละชีวิตเป็นพุทธบูชาในที่ประชุม เดี๋ยวก็แสดงให้เห็นมาตลอด น, นนะฮะว่าก็พร้อมชี้จักษราชีวิตเพื่อพระรัตนาใจพระบูชาพระรัตนาใจก็ไม่จําเป็นจะต้องสวดก็ได้แต่ว่าใจัยมันมีความพร้อมที่จะทํางานเพื่อปิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือบางทีเราก็สวดสวดกันเฉยๆเราไม่คิดที่จะเป็นอย่างอย่างที่เราว่า คือยังยังบทสวดเนี่ยเอามาเองก็สารภาพเลยว่าคือเราเองไม่เคยไปศึกษาในรายละเอียดต้องศึกษารายละเอียดเมื่อพรรษาตั้งปรรษาที่เจ็ดนะฮพรรษาที่เจ็ดเพราะตอนนั้นมันมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงถึงถึง บทนมโมบทอาราหังบทอิจิบิโสสวะาคาโตสุปฏิปโนนินึกคิดคน้นสักถามสอบถามกันอยู่นานได้เราก็จับทางได้แล้วก็ม า, าศึกษาเจาะลึกในเรื่องเดล่านี้ก็ทำให้เกิดเผยแพร่เรื่องพระพุทธปนิธานขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคือมัน เสืบเรื่องมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราก็ต้อง ก, ก็ต้องมีจุดมีหลักการที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมายตรงนี้แล้วก็สืบต่อเป้าหมายตรงนี้ให้ได้ทั้งๆที่เราเรียนมาตั้งแต่นคกรรรีแต่ว่าเป็นการอ่านผ่านๆยังเนินก็อยู่ต่างจังหวัดวัดมันยากจนมากทั้งวัดเนี่ยมีหนังสือพุทธวัตรอยู่เล่มเดียว อาจารย์ก็ไปนั่งตั้งวงกลางลานวัดแล้วก็เปลี่ยนกันอ่านคนอื่นก็ตั่งฟังเป็นความคิดเราเลยไม่ค่อยลึกซึ้งแล้วก็พอเริ่มคิดมันก็ก็มองเห็นอะไรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดที่สำคัญอย่างพระพุทธเจ้านี่ทรงชงนิพน์ไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบแล้ว ด้วยพระคุณมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นมีพระตยาศัยประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณโปรองคใดยังชุมชนดีให้เบิกบานดังดวงอาชิตยังดอกบัวให้บานฉะนั้นกัปเจ้าขอไหว้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ไม่มีขั้นศึกผู้เป็นจอมชนะด้วยเสียนกล้าว ปุจ้าระองไดเป็นสนะอันเกษมสุดของสัพพะสัตถ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอไหว้พระผู้มีพระภาคองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งอนุสติที่หนึ่งด้วยเสียงกราวและจากนั้นก็ประกาศปริยัติตนข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าพุเจ้าเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้กําจัดทุกข์ด้วย เป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอมอตตายถวายชีวิตอันนี้แด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้า ว, ว่าอยู่จากประพฤติซึ่งความสัตรูุ้ขดีของพระพุทธเจ้าทีเดียวสะนาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสะนาอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยคำกล่าวสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาจากนั้นก็จะมีการอธิษฐานว่าบุญใดข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าขวนขวายแล้วในที่นี้แม้สปปรพอันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชบุญนั้ น, ก, นกรรมนักเกลียดอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระพุทธเจ้าด้วยกายวาจาหรือด้วยใจขอพระพุทธเจ้าจงทรง งดโทษนั้นเพื่อระลึกระวังต่อไปในพระพุทธเจ้าอันนี้เรากราวตอนเรากราบนะกราบราบลงที่พื้นแล้วเราก็กราวคำนี้ทีนี้พอมาถึงพระธรรมเนี่ยคือหมายความว่าธรรมวัตรเช้าธรรมวัดเย็นเนี่ยถ้าเรามาอธิบายขยายความเนี่ยฮนะเป็นเอกสารขนาดใหญ่แล้วก็จะคลุมพื้นที่ของอร า, ราริมักมีองศปปรการ กลุ่พื้นที่ของอริยสัจนะเราจะเห็นว่าในอิทธาตถาคตโตเนี่ยมันจะเน้นไปที่ทุกขสัจกับสมุทยัทยสัจตรงนี้ก็จะเน้นมาที่มรรคสักับนิโรธสัจพอถึงพระธรรมก็ส่งอิพน์ไว้ว่าพระธรรมเป็นของอันประเสริฐด้วยอํานาจอันประกอบปริคุณมีความเป็นแห่งสวัสาตธรรมเป็นต้นอันใด ต่างด้วยมรรคผลปริยัตและวิโมกพระธรรมการผู้ทรงธรรมนั้นจากความตกไปในโลกที่ชั่วข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันขจัดความมืดอันนั้นพระธรรมอันใดเป็นชนะอันเกษมสูงสุดของสัรพสัตว์ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันนั้นซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอนุสติที่สองด้วยเสียง9แล้วข้อความต่อไปก็ทํานองเดียวกันเปลี่ยนแต่เรื่องพระธรรมกับพระ อมอกกายถวายชีวิตแด่พระธรรมแล้วก็ประกาศตนเป็นผู้รับใช้พระธรรมถึงเราจะเห็นว่าปฏิญาณในตอนธรรมวัดเย็นเนี่ยเป็นปฏิญาณที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเรามักสวดในรูปของาศาสนาพิธีเป็นรูปแบบแต่ว่า ความสำนึกที่จะปฏิบัติตามนั้นน่ยมันมันไม่ค่อยมีรูปธรรมให้เราเห็นบน เ, เวลามีศาสนภัยมีอันตรายต่อศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยจะเตะลูกออกนอกสนามคือแล้วแต่รัฐแล้วแต่รัฐบาลหรือแล้วแต่หลวงนะแล้วแต่รัฐหรือแล้วแต่หลวงซึ่งหมายความว่าเราเองปฏิญาณไปวันๆเราไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย มาก็เคยพูดในที่ประชุมแรงๆนะฮะบอกว่าที่เราขยันทมวัดเย็นเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยแสดงว่าเราโกหกมากหรือบางครั้งก็ทาวัดบ้างไปทาวัดบ้างแต่ว่ายึดมั่นในหลักการตรงนี้มันไม่ได้แปลกอะไรเพราะจริงๆ่มันเน้นที่ปฏิบัติมันไม่ใช่เน้นที่สวดนะคือศาสนาพุทธ เ, เน้นที่การปฏิบัติ ศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาหลักการสําคัญก็อยู่ตรงนี้เพราอมาพอมาถึงพระสงฆ์เนี่ยจะมีข้อความในลักษณะเข้าถึงคุณของพระสงฆ์ได้อย่างลึกซึ้งบอกว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เกิดจากสัตยธรรมประกอบด้วยคุณมีสุปฏิปฏิคุณเป็นต้น พวกใดเป็นหมู่แห่งอริยบุคคลอันนั้นประเสริฐสุดแปดจำพวกมีกายและจิตอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นข้าพเจ้าขอไหว้หมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายพวกนั้นทั้งหมดสะอาดประสงค์พวกใดเป็นสารณ ะ, ะอันกเกษมสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอไหว้ประสงค์พวกนั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งอนุสติที่สมด้วยเสียรกล่าว ทั้งฟังได้ปรดสังเกตนะว่าสังครัตนะจริงๆที่เราประกาศเนียเราประกาศถึงพระอริยสงฆ์แต่ประสงค์เข้าไปในเรียกว่าเป็นสมมติสงฆ์เวลาประกาศเวลาสัเสรเซิญพระสังฆาลก็มุ่งไปที่พระอริยสงฆ์เหมือนกันแล้วพอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่า พระสงค์ก็คือศาสนิกเช่นเดียวกับเราเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปมีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่เผยแพร่มีหน้าที่ดูแลพระศาสนาท่านจะสัมผัสผลได้ขนาดไหนลึกซึ้งได้ขนาดไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเราก็เหมือนกันเรามีหน้าที่อย่างนั้นแต่ว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่เนี่ย ก็มักจะเพ่งเล็งไปกล่าวโทษพระสงฆ์ซึ่งจริงๆก็เป็นลูกหลานตัวเองอะลูกหลานตัวเองเข้ามาบวชอยู่ในวัดนี่แหละเสร็จแล้วก็ตามมาตามมาดาเองคือวัดไม่ใช่เป็นที่เกิดของพระสงฆ์แต่ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นที่เกิดของคนที่ต่อมาเป็นพระสงฆ์เนี่ยมาอยู่ขั้นขั้นตอนหนึ่งก็ผ่านการบวช มันถ้าจะมีปัญหามันก็แสดงว่ามีปัญหามาแต่ต้นถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหามาแต่ต้นทีนี้คนเรามาฝึกเนี่ยมันก็ต้องฝึกกันไปอะหกลม้มหกลุกว่ากันไปแต่บางคราวบางคราวเราก็มักแสดงอาการก้าวร้าวซึ่งนึกไม่ออกว่าได้ประโยชน์อะไรนอกจากบาก เวลามีปัญหาที่เกี่ยวกับพระเนี่ยโดยเฉพาะอย่างไอทีวีเนี่ยชอบออกมาถอดรหรัสสังเกตเข้ามานานนะฮะเขาพยายามติดตามดูอยู่แล้วยังไม่เข้าใจเจตนาจนทนั้วันเพราะจริงจที่เขานำมาเผยแพร่เป็นคนปลอมบวชหรือบวชมาถูกต้องแต่ว่าเป็นพวกที่บวชเข้ามาเพื่ออาศัยศาสนาทรมาหากิน สังคมเราพูดกันมานานแล้วบทนี้บทลองบทครองประเพณีบทนี้สงสารบทผานข้าวสุกบทสนุกตามเพื่อนบทเพื่อนาศาสนาเราก็พูดกันมานานแล้วนะนเนี่ยแล้วคนอย่างเงี้มันมีทุกยุคทุกสมัยหรอกเราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความชั่วของเขาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง อาศัยความชั่วของเขามาหยุดทําความดีของเรากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ไปท่านทำดีเราก็อนุโมทนาท่านท่านทำไม่ดีก็อุเบกขาดีกว่าวางเฉยท่านก็ไปตามกรรมของท่านไม่ได้นัดกันมาเนี่ยไม่นัด ก, กันอยู่ไม่นัด ก, กันไป ต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปที่สำคัญอย่างยิ่งคือตอนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไม่ได้อะไรจากท่านแต่พอท่านปฏิบัติมาดีขอโดยสารทําไม่ดีด้วยเป็นความคิดที่น่าสลดใจและแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกแม้แต่รายการวันจันทร์เนี่ยเราสังเกตว่าบางครั้งก็มีคําถามแหลมๆ ม, มากมายในลักษณะนี้ก็ข้าก็ยืมมือให้ช่วยด่าพระให้หน่อย ซึ่งก็ไม่รู้จะทำไปทำอะไรเพราะนั้นที่พระเจ้าสอนไว้หน้าที่ของชาวบ้านเนี่ยให้เมตตาทางการกระทาทางการพูดทางการคิดนะฮะทางทำพูดคิดเนี่ยให้ทำาดยเมตตาท่านสามารถก็คือท่านสามารถไม่สามารถมันก็เป็นกรรมของท่านเองเวลานี้คิดเลยเถิดไป จนถึงมาถ้าพระมีปัญหากระสีกาแล้วต้องจับศึกแล้วก็ติดคุกด้วยถามว่าติดคุกเพราะอะไรนะติดคุกเพราะเกี่ยวข้องกระสีกาและกฎหมายนี้เลือกบังคับช้าได้แหะเกิดถ้าถือว่าการเกี่ยวข้องกับผู้หญิงติดคุกคุณก็ต้องติดคุกก่อนพระแตนนี้คือเราไม่คิดมันเป็นกฎของท่านท่านสมัครใจ ไปวิ่งแข่งมาราธอนเองท่านวิ่งไม่ออกก็แพ้คัดออกไปก็ไม่ได้าอะไรนัเพราะฉะนั้าถ้าเรามองตามหลักจริงๆแม้แต่หลักสังฆคุณเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มองไปที่สมมติสง์เราไหว้สมมติสง์ก็ใจน้อมไปหาอริยสง์แล้วเราก็จะสบายใจเพราะในข้อต่อไปท่านก็บอกว่า พระสงฆ์พวกใดเป็นชนะอังเกษมสูงสุดของสัรพสัตว์ข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์พวกนั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งอนุสติที่สามด้ยเสียน9้าข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับใช้พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นเจ้านายของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้กำจัดทุกข์ด้วยเป็นผู้ทำซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศรีษะแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าว่าอยู่จากประพฤติแล้วก็ข้อความก็ทํานองเดิมนะฮะ นี่คือคือต้องการจะแสดงให้เห็นออถึงพลังศรัทธาที่มีต่อพระสงฆ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ เ, เรียกว่าเป็นหลักคือสัตวุครุธรรมครุนะฮะมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ตลอดถึงในไตรจิขา การการแสดงอะไรต่างๆของท่านเนี่ยมันสะท้อนมาจากพระไทั่ที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในคุณของพระรัตนตรยัยในบางข้อบางบทได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความ ร, ราบซึ้งดื่มดาในคุณของพระรัตนตรัยมากอย่างยกตัวอย่างเช่นบทสวดและหลายบทนะฮะ บทสวดหลายบทที่ส่งเรียบเรียงขึ้นแล้วก็เป็นหมายความว่ามันเกิดจากความซาบซึ้งประส่วนพระองค์เองแล้วก็เรียบเรียงข้อความเหล่านี้ขึ้นมาซึงก็หมายความว่ามันเป็นการสะท้อนจากความคเคารพเอือทูลในพระรัตนตรัยถ้าหากว่าเรา ไม่เข้าถึงจริงๆมันก็พูดยากนะฮะอย่างบทหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วไม่ค่อยรู้กันแพร่หลายเพราะว่าเป็นบทที่พระเองก็ท่องจำยากแล้วก็นานๆจะสวดครั้งหนึ่งอย่างที่วัดปบอรเนี่ยมัสนสวดหมุนนะฮะสืสวดหมุนไปรอบๆไป อีหนึ่งก็อาจจะเจอสักสามสามสี่ครั้งคือหมุนกันไปแต่เราก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าทรงทราบซึ้งดื่มดำในคุณพ ร, รัตนกรมากทรงนิพนไว้ว่าข้าพเจ้านามัสการพระพุทธเจ้าผู้มีพระกายและจิตเป็นรัตนะข้าพเจ้านามัสการพระธรรมมีสาระคือความหมดจดวิเศษเป็นรัตนะ ก็เจ้านมัสการพระสงฆ์ผู้มีศีลและทิฏฐิงามเป็นรัตนะก็เจ้านมัสการสามรัตนนี้อันชื่อว่ารัตนตรัเป็นวัตถุพิเศษสมโมสรกันเป็นอันดีที่เป็นไปด้วยาสามารถประกอบด้วยคุณอันสมควรส่วนละอย่าง ร, รัตนไตรแม้นั้นเป็นเหมือนไม้สามอันควายขัดกันอยู่ ถ้าออกเสียอันเดียวก็เหลื อ, อที่เหลือนั้นก็ ต, ตั้งอยู่ตรงไม่ได้ น, นักจะมีปรากฏในโลกสักคราวที่อัดที่เห็นได้ยากยิ่งแต่เป็นวิสัยคนักปราดผู้มีปริชาญาณเป็นสิ่งที่บัณฑิตชนผู้รู้วิเศษจะพึงรู้แจ่มแจ้งชาวโลกบางเหล่าที่เป็นสามัญจะพึงได้พบอะไรได้ บางพวกที่เป็นบัณฑิตชาติทราบสนักโดยที่มีพระคุณเป็นกายกองแม้ปรากฏชัดแก่หมู่ชนก็แต่พระนามเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันหมดจดในใจของสาธุชนผู้เป็นผู้เห็นถูกเป็นภูมิภาคแห่งบุญอนุดมไม่มีที่เปรียบของผู้มีความต้องการด้วยบุญเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ของสาธุชนผู้ถึงสรณะ เป็นอภิปูชนิยะยอดเยี่ยมในหมู่ปู ช, ปชนิยสถานทั้งหลายเป็นประโยชน์จำกัดอาศัยเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานและเพื่อชำระมนชินกิเลสให้หมดจดโดยสำเร็จโดยรอบเป็นเราจะเห็นว่าแต่ละข้อความเนี่ยอันมีความลึกซึ้งอันสาธุชนผู้ฉลาดในอัต พึงซ่องเสพทั้งเป็นของที่เหล่าปาณชาติพึงถึงว่าเป็นศนัแท้จริงเพรนนั้นแลเราถึงพระระัตนาัยเป็นสาธาะนอบน้อมอยู่ทุกขณะทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งมีจิตสูงทอนประสาทบูชาอยู่เสมอยินดีในการบำเรอพรรัตนาัยนั้นทุกเมื่อโดยบุญที่ก่อสร้างดีแล้วในพระระัตนาใจนั้น เราขอเป็นผู้มีสุขและด้วยเดชแห่งพระณาธิการนั้นขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อก็แลโลกุตระพิสมัยอันใดเป็นความจัสรู้ชอบยิ่งเป็นสิ่งซึ่งประสงค์ในธรรมีในนี้ความเลื่อมใสเป็นอันดีแม่นี้เราได้สร้างไว้ในสามวัตถุจงเป็นไปเพื่อก่อสร้างอุปนิสัยแห่งโลกุตระพิสมัยนั้นเถิด เังองความจะเห็นได้ว่าแต่ละข้อนี่ลึกซึ้งทั้งนั้นวันก่อนได้พบข้อเขียนในหนังสือรายสัปดาห์เราหาว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าวทำโลกุตรธรรมหล่นเป็นพระรุ่นใหม่นะฮะเขาก็ขนองไปตามภาษาแต่เราก็สลดใจว่าขนาดธรรมะเช้ามันก็เห็นกับต้องๆเนี่ย ไม่ต้องไปดูที่กลายเราธรรมชาทุกวันก็เห็นแล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตอนที่ปริวัติเพศไปครองราชอยู่สิบปีนะก็รวมปีที่สิบแปดนะฮะแต่ไม่เต็มดีก่อนจะเสด็จสวรรคตเนี่ยทรงแสดงให้เห็นถึงพระไทยที่ไม่ ย, ยึดมั่นถึงมัน เป็นความจางคลายของตันหาวปาทานในทุกเรื่องนะเพราะไม่ได้มอบหมายราชสมบัติให้แก่ใครแต่มอบประโยชน์ในการตัดสินใจของประหลงบงสารวงเสนาข้าราชการนะตามหลักการที่เรียกว่าอนเนกชนนิกรสมุทรสมมติก็ได้รับสั่งที่ ลึกซึ้งนีหลายตอนตอนหนึ่งที่นำมาประลบมากก็คือนัเทศังโลกัสสมิ่งยังอุปาริยปมา น, นาพิชางัสสาสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เนี่ยสิ่งนั้นจะไม่มีโทษนั้นไม่มีเลยเพราะนันอะไรก็ตามที่เราไปยึดว่าเป็นของเราเนี่ยทุกตา ม, มาทันทีเลย เราเป็นมีทุกตามมาทันทีเลยเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยทุกตามมาทันทียกตัวอย่างว่าเราเป็นอสมมติว่าท่านท่านท่านท่านท่านเป็นรัฐมนตรีถามว่าท่านนั่งรถตุ๊กๆกได้ไหมท่านนั่งแท็กซี่ได้ไหมมันไม่ได้อะแล้วถ้ายิ่งเป็นทูตต่างประเทศแล้วประเทศจะยากจนยังไงไม่รู้มาต้องรู้เลิศเลย นั่นคืออะไรคือรู้สึกว่าเราเป็นแล้วต้องต้องเหมาะสมเป็นเป็นตินิยมของโลกแต่ถามมาใช้รถแท็กซี่นี่มันมันไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไมมันก็ก็ได้ด้ยกนแต่ว่าเพราะอัตราเราขึข้นเราก็ไปนั่งแท็กซี่ไม่ได้อัน น, นี้เราจะรณรงค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันมาก คือมันพูดให้คนอื่นทำนก็ได้นะแต่ว่าปัญหาว่าเราทำได้หรือเปล่าเนเรื่องใหญ่เกษตรก ร, รเพียงที่จริงเป็นหลักของกรธีทิตตธรรมการถกประโยคแล้วก็หลักของสันโดษซึ่งก็กกกหมายความว่ามันจะต้องพอใจตามที่ได้พอใจตามที่มีพอใจตามที่ สมควรแ ก, กร่กรณีนั้นนั้นดังนั้นหลักการของพระศาสนาจึงเน้นที่การบรรเทาตัณหาบรรเทาอุปาทานและอย่างอื่นมันจะบรรเทานะอ่งอื่นจะบรรเทาตามไปแม้ความทุกข์เองเนะฮะก็จะบรรเทาลงอย่างที่ทรงสรุปว่ากล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในกทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์ ผลถ้าจิตเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ทุกข์ทำไงจะปล่อยวางได้แล้วก่อนจะสวรรคตเนี่ยรับสั่งว่ า, ารับสั่งกับพระราชธิดานะว่าประเดี๋ยวพ่อจะตายให้ดูนะคนนี้ก็ตายเป็ น, นก็ตายยังไงไหวพระสวดมนต์หรารหลา ย, ายเศษแล้วก็ประกาศแยกพระไทยออกจากกาย แม่กายเราจักกระสับกระสายแต่จิตเราจักไม่กระสับกระสายคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วและจากนั้นจะอยู่โดยพุโทโธตลอดแล้วพระไตยก็ดับไปด้วยคำว่าพุโทโธเพรา ะ, ะถ้าเราศึกษาในฐานะที่เป็นบนรรพชนนะฮะแต่พอดีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่ก็ค่อนข้างมีปัญหากับความรู้สึกของคนรุ่นหลังซึ่ง มากไปด้วยอหางการเ ม, มงการเนี่ยคือไปคิดว่าท่านไปไปสร้างคณะธรรมยุทธ์ขึ้นแต่จริงท่านไม่ได้สร้างท่านเพียงแต่ว่าปรับการปฏิบัติของท่านในยุติด้วยพระธรรมวินัยแต่นั้นเองแล้วในสุดมัก็เกาะกลุ่มก็กลุ่มเดิ่งก็รังเ ก, กียจกันแล้วค่อยๆทางออกทางออกทางออกจนในที่สุดพอมาถึงสมัยการที่ห้าท่านก็ประกาศเป็นคณะ ตามพระราชบัญญัติรอสรอยยี่สิบเอมันไม่ได้หมายความว่าเจตนาจะไปแบ่งแยกอะไรมันไม่ใช่ก็ยังเคารพนับถือกันเหมือนเดิมท่านก็ปฏิวัติเพศไปเป็นกษัตริย์พระเถระสามสี่ปีแรกเนี่ยที่ยกย่องไว้ในสมณศักดิ์ชั้นสูงนี่เป็นพระเถระมานิกายทั้งนั้น ที่จริงมานิกายก็เพิ่งเกิด น, นะฮะมันก็คณะสงฆ์ไทยได้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันสั่งการบอกให้เรียกอย่างนั้นไอ้เรียกแบ่งแยกอย่างนั้นเป็นเราเป็นเขาอย่างนั้นตอนนี้ก็รดๆลงไปนะเราก็สะพายมารดกบาปมานานแนี่นนะฮะแล้ก็เมื่อจะเลิกกันที่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าสงสารนะฮะน่าสงสารแล้วก็น่าสะหล่นน่าหดหู่จิตใจว่าในความเป็นพุทธได้รู้ตื่นเบิกบาน แต่เราก็ยังไม่รู้เรายังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นใจเราจึงไม่เบิกบานมันมองเป็นเราเป็นเขาเป็นธรรมยุทธ์เป็นมานิกายเป็นมหายานเป็นเทระวัตเป็นธรรมกายเป็นอะไรอะไรยุ่งไปหมดเลยเดี๋ยวเป็นเราเป็นเขามากเกินไปนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายใครจะแก้ปัญหานี้ได้มันก็ยากนะฮะเพราะว่ามันอยู่ภายในใจของมนุษย์นี้ต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระองเกล้าเจ้าอยู่นั้นท่านศึกษาท่านปฏิบัติท่านสัมผัสผลและท่านก็เผยแผ่ท่านก็ดูแลรักษาศาสน า, าก็เรียกว่าเต็มตามกําลังความสามารถของพระองค์ั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรุษในธรรมจงมี<อ>แต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี